ที่ได้จากสิ่งกระทบภายนอกไม่เคยลิมรสความสงบอย่างแท้จริงจากจิตใจเอาเลยดังนั้นเมื่อพูดถึงความสงบจึงพลไปนึกถึงความแห้งแล้งของสถานที่ไกลชุมชนหรืออย่างมากก็ความสบายใจหลังยกภูเขาลูกใดลูกหนึ่งออกจากอกเสดได้แท้ที่จริงแล้วความสงบทางจิตความระ ง, งับอาการทยานอยากของใจสาเร็จนั้น